ยิงคนเดียวได้หมเคยไหมยงแล้จะบอกเพลใครกำลังมีามสุขหม่ไม่ไ้ปม่ก็ได้หัรก็ได้ด้วยใช่่เดียก็ต้องี่ในอนะขอตรัีรวยใบาดยมนนนอในดวงใจินะคสอนนะมนในดทำใจให้เฉ่น เหมือนดอกไม้เป็นบาปในใจเราเกิดบาปเราบาใจเราสบายเราก็เดูร่างกายไปใจกลังเิบาใจสาา่เรื่องอะไรต่อมาเรื่องราวทาจะปนร กิดจากความคิดของเราเองเมื่อมันเป็นแค่ความคิดฉันก็จะปล่อยมันให้มันเกิดแล้วมันจะไปของมันเราไม่ต้องคิดเข้าไปเข้าไปคีดไปคิดไปกอทําแค่ให้มันสลายสบายชีวิตของเราของฉันชีวิตเขาฉันก็ผ่านไปผ่านไปถึงเวลาก็ตกตายไปแล้ว แต่ว่าจิตจิตของฉันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆใจต้องเบิกบานสงบร่มเย็นเงื่อนราวหรือว่ามันอยู่ข้างนอกมันมันผ่านไปหมดแล้วอนาคตก็ยังไม่มาใจฉันว่างเปล่าไม่มีอะไรใจว่างเปล่ากังวลอยู่คนเดียวไม่ได้หลงไปกับความว่า รู้ว่ารู้ว่านิรู้ว่าเฉยรูว่าสบายใจของฉันกําลังสบายสบายความเครีเนี่ยเป็นเรื่องรางชายเจ็บตัวตรงนั้นตรงนี้เรื่องรางชายทั้งนั้นแต่ใจของฉันกําลังสบายใจสบายใจดีเองใจดบานฉันถึงความจริงเจ้า ฉันเกิดมาได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าฉันต้องเคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามาแล้วต่อไปนี้ฉันขอขึ้นพระพุทธเจ้าผู้ท่าธรรมผู่ผู้พระอริยเศวัตรพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติมักษาใจ เราอาสติเข้ามาสติเข้ามาแล้วก็รักษาใจเราไว้ใจเราเป็นยังไงรู้เรามปรู้ใจทีนี้พอรู้ใจแล้วเนี่ยร่างการมันเป็นยังไงมันจะรู้นะพี่มันแน่นขึ้นมาเราควรู้มันแน่นมันสีมาเราควรมันมีตาของออันปัจิตของเรามันบดไว้เราควรบดไหลกำวนู้นว่ากำวนู้ัวนี่ว่กวัวมันปงแต่งนู้นว่าูแต่ง เสร็จแล้วมันหยุดนหยุดกรู้ว่ามันอยุ่รู้ใจต่อไปอีกรู้ใจไปแล้วใจมันเผลอ่แว๊บไปเรื่องตรงนั้นก็รู้แล้วว่ามันเผลไปก็รูเผลอไปมันก็จะกลับมากลับมาก็กลับมาอยู่กับใจตนเองมันเฉยอยู่นิ่งๆคนรู้มันนิ่งูนเฉย ทพอมันรู้สึกม่ชัดเจนม่ชัดเจนแล้วก็ออกมาดึงสายมาตามลงบางมาตามถึงหลังปายบ้ารู้สึกว่านังหรือ่าอันนี้ก็เพิ่มกาลังให้กับจิเราเาะจิของเราเนี่ยไปอย่เฉยๆก็เหมือนคนหมือนอนอยู่เีย่ก็มก็พลอยลงไปเพิ่มลงไปเราก็กระตุ้นจิตเราให้ตื่นขึ้นมา 6ปีแล้วมันสืขึ้นมาก็เขามันมีาดูล่างกายว่าสิ่งนั้มันดังย่งไงมันดีอย่งไงเี่ยพอมันมันมันม่างกายแล้วมันสืบขึ้นมาใหม่อีกพอมันสืบขึ้นมาแล้วมันก็เห็นดิเห็นว่าตัวเรานั่งอยู่อย่างไงพอยู่กับนั่งหรือว่าดูอยู่กับร่างกายนานเท่ากี่วันก็เข้มแข็งเข้มแข็งขึ้นมามีกาลังขึ้นมาม เหมือกับมันอตัวเข้ามาอยู่ับใจตนเองก็้ามาอยู่กับจิตตนเองอีเมื่ออยู่กับจิตตนเองทีนี้มันก็มั่นคงตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเบ่งบานมันสว่างไสวขึ้นมามันเหมือนกับมันมันมาเนี่ยคนนะคนที่มันตอนแรกไปอยู่บุญบุญคนเยอะเยอะแล้วก็ไปบุญกับเขาเขาทําอะไรเราบุญไว้กับเขาแต่ทีนี้เราเราเรินห้อยออกมา เราะมันยืนียู่เฉยมองดูที่นี่มองดูมันจะจิตมันตั้งมั่นเป็นจิตที่หอยออกมาอีู่กับจิตเพราะมันอยู่กับตัวเองแล้วก็มองดูเขากำลังวุ่นกับวุ่นาฟเราไม่เคยวุ่นกับเขาที่นี่จิตตั้งมั่นจะเป็นจิตที่มันไม่ออกไปมายรื่อกข้างนอกมันหอยกับคืนมาอยู่กับตัวเองตามลําพังเป็นอิสระแล้วก็มองดู้างนอกเขากําลังทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขา หรือเทียบเทียบกับการเล่นกีฬานักกีฬาเขาเล่นกีฬาไปอย่านักฟุตบอลอย่างเงี้ยปากถอยออกมาไม่ไปร่วมเล่นประมากับโค้ดมีดมองอยู่อันนี้ใครเล่นยังไงรู้หมดในยทีเดียคนนั้นเล่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่ีแผนนั้นแผนนี้วางแผนอนะไรทีเดีโค้ดต้ ว, วางแผนเนหะมือนกับปีต้องเราทามันตั้งมั่นนะเหมื น, นกับถอยกลับคืนมา จับคู่มาแล้วมาอยู่ ก, กับจิตมาอยู่ ก, กับจิตแล้ว ก, กับจิตก็เป็นกาลางกลางได้แต่นี้โมจิตมันกำลังมันอ่อนลงอย่างตอนลงทีนี้มันมีเมทนาเกิดขึ้นร่างกายนั่งนา น, นเรามีนาฬิกาหมดเดิมๆซ้าๆเนี่ยมันก็จะมีอาการต่าง ๆ, ๆเกิดขึ้นมาเช่นแน่นบ้านหรือว่าเตียบบ้านหรือว่าเจ็บัว บ, บ้านเราก็ดูก่อบดู ไวอ่นั่นแหละคอยออกมันในผู้ดูเราพยายามที่จะเป็นผู้ดูก่อเป็นผู้ดูดูเฉยๆดูเฉยๆไปสักระยะหนึ่งพาจิตเราเริ่มมีกําลังขึ้นมามันก็จะค่อยกลับมามัน่อยกลับมาอยู่กับจิตค่อยกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกคือคล้ายๆกับว่าเหมือนเราไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเห็นเรากำลังทําอะไรอยู่เราประสนใจจิตที่ยมันสนใจเป็นดูปักดูเสร็จแล้วแบเออในเงื่อนของเขาเขาก็ทําไปทำเรื่องของเขา คราวนี้เราก็กลับกลับคืนมานะกลับคืนมาหาจิตตัวเองกลับคืนมาอยู่จิตเราก็จะรู้ว่าได้จิตพวกเราเนี่มันหลงมั้ยินดียินร้านกับเขาไหมผมบอกแค่เราเป็นเรามาเที่ยวเฉยๆเพื่อการิตกรรมมาดูเขาเออสิ่งแวดล้อมตัวนี้มันเป็นอย่างนี้เปีนเร่องของมันนี้นะจิตเราก็เป็นอิสระต่อไปใหม่ไม่เข้าไปเกาเข้าไปเกี่ยวเข้าไปยึดยิ่งมันมัน พอเรากลับขึ้นมาอยู่กับตัวเองแล้วมันนึกขึ้นมาใหม่เมื่อก็ทําอะไรกันนะเราก็ต้องรู้นี่มันแค่เป็นความคิดของเรากําลังจะไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาเราอยู่ในจิตเราเราก็รีบรู้ทําพอรู้ทันจิตของเรามัก็จะรู้ตัวเราไว้ให้ไม่ได้นะเราจะไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาดึงเราอยู่ในจิตใจเวลาเสียเวลาแล้ก็มาตั้งหลักมาดี พอมาตั้งหลักก็มาอยู่กับตัวเองกำลังพังเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาอยู่กับตัวเองทีนี้มันตั้งมั่นเนี่ยกำลังเหมือนกับเราถอยออกมาแล้วเรายืนอยู่แล้วก็เหมือนมองอยู่ได้รอบๆอยู่ไม่ไปคุกไม่ไปคุกไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์เก่าๆเพราะเราถอยออกมาแล้วเราถอยมาเป็นอิสระนะเป็นจิตตั้งมั่นเป็นจิตที่ไม่หลงยินดียินร้ายกับอะไรแล้วเป็นจิตอิ่เป็นกลางๆอย่างชี้มาปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อให้จิตกำลังกลางพร้อมที่จะพัฒนาจิตชนิดที่ไม่มีความายินดร้ายไม่มีความทุกขาา์ครอบงำจิตก็แล้วมันก็มีกําลังแล้วแต่ที่นี้ก็อยู่ไปนานๆเอาอีกําลังอ่อนลงไปอีกละเนี่ยก็ต้องทําให้ลั่างทาให้จิตใจมนันแข็งขึ้นมาใหม่ก็เอาไปดูร่างกายบ้างเอาไปดูเวทนาบ้าง ไปทำให้จุดจอโลอารมณ์ได้ารมณสร้างกำลังของสมาธิขึ้นมากำลังสติกำลังสมาธิเกิดขึ้นจิตก็เริ่มมีกำลังขึ้นมามาก็เริ่มมองดูใหม่โมก็เห็นนี่กะอันนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ข้างนอกหมดเลยจิตเราก็มองไว้มองคนผ่านไปผ่านมารถผ่านไปผ่านมาจักรยานผ่านไปผ่านมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมา มีอะไรเกิดขึ้นรู้มีเส hm ียงมุสล็อกก็รู้ใจเราก็ยังเป็นปกติมีแนวจิตตั้งมั่นังเป็นปกติแต่เป็นปกติที่รู้อารมณ์ได้รู้อารมณ์แต่ว่าจิตของเราไม่หลไปจะอารมณ์อ่ะจิตของเราเหมือนกับมันเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายพอเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายมันก็อยดูอยู่ปับจิตอ่ะมันก็มาเห็นตัวเองนที่นี่ในจิตของเราเนี่ยอยู่ที่เฉยมันก็อยู่ที่เฉยไม่ได้เสียงก็ นึกอารมณ์ขึ then, ้มาอีเแีบแลวก็ปรุงแต่งอารมณ์อีกแบบเพราะมันธรรมชาติจิตมันรู้อารมณ์แล้วก็น้องไปสู่อารมณ์ด้วยแล้วมันึกคิดพรุงแต่งอารมณ์ด้วยเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่กังวลเราไม่หวั่นไหวเราไม่โกรธไม่ขุ่นไม่เครื่องมองเหมอนมองเห็นเป็นเข้าใจแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจธรรมชาติของจิตตัวเองแล้วเราก็อยู่กับจิตได้จริง แลยวเราก็รู là, i, ạt, ้ด้วยว่าถ้าหาว่าอยู่ไปนานๆถ้าจิตของเราเนี่ย้ำออนกำลังลงไปบางทีร่างกายก็มีกะไรก็รียากห่อรือน่าแตร่างกายของเราเนี่ยเวลามันสบายมันก็เคยพักผ่อนเม่ออยากพักผ่อนเวลาพักผ่อนมันสบายเนี่ยมันก็เรียกร้องเรียกร้องหามันกันนะมันก็มีความติตใจของเราเพราจิตใจของเรามันคยมันเคยมันรู้สึกว่าสบาย นอนลงไปแล้วจะรู้สึกสบายป่อยวางหน้าที่การงานปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็หลับไปทีนี้พอมันสบายอยความเคยชินเก่าๆมันก็มากระตุ้นกระตุ้นจิตของเราทำให้อยากจะนอนอยากจะพักไม่สบายสบายบางทีจิตมันเคยเข้าไปอยู่ในความว่างแล้วก็เข้าไปเข้าไปเพื่อที่จะพักแต่เราก็ไม่ยามอีกเพราะว่าเรายังม่ถึงเวลาครับ เราก็อาจจะบริกรรมนี่อรอามาเทีูกายเวทนาจิตธรรมได้หมดทําให้จิตมันสื่อขึ้นมาใหม่เนี่ยพวกก็ต้องไปแก้ไขกันอยู่นี้แหละแจะให้มันคงที่สื่ออารมณ์อยู่ตลอดมันไม่ได้หรอก เ, เราก็จะต้องคอยสังเกตว่าเราจะบริหารจิตเราอย่างไงนะจิตของเรามันถึงมันคงอยู่ได้รูอ้าอารมณ์อยู่ได้แต่วันนี้ไม่มีกําลังเนี่ยจิตของเราก็จะไม่ ชัดเจนนิสิตมัวอะไรมัวมัวไป็นอยู่กับอะไรก็ม <us> ัวมัวไม่ชัดแจ้งอันนี้แสดงว่าสมาธิมันอ่อนแล้วกําลังสติอ่อนแล้วเราก็ต้องพยายามเพิ่มกําลังของสติให้ติดต่อต่อเนื่องต่อเนื่องสมาธิก็เริ่มเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นจิตก็เริ่มมีกําลังขึ้นมาแบบไปเอาไปกั้งหนวดดูอะไรมันก็เริ่ชัดเจนขึ้น พอดูออระยะพอยิงมันมีกําลังขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาจิตก็ต้องขอยกลับเข้ามามีปัจจิตเป็นจิตที่ตั้มันติตตาหรือว่าอารมณ์หรือว่าอารมณ์อะไนอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่ครอบงำจิตจิตก็ไปยินดียินร้ายกับอะไรพอจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรมันก็เป็นอิสระได้ก็เป็นอิสระอีกไม่นานล่ะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ตัวจิตมันเป็นธรรมชาติหรืว่าอารมณ์มันก็ไป็นรู้อารมณ์อีกอ อันนี้เราก็ไม่ทันสิความเคลื่อนไหวภายในจิตของเราจะเกิดอะไรขึ้นเราควรรู้กินทีก็ไปนึกของเรื่องเก่าว่าสัญญาเป็นีเมื่อเกิดเราไปนึกว่าอ่อนเป็นสัญญาคิดคูงแต่งัวเป็นรู้เป็นสันขานเป็นธรรมดาเป็นธรรชาติของจิตสันขานภูงแต่งใจบางทีมันจับไปถึงเรื่องราวที่มันเคยเจ็บปวดแล้วก็แทบเข้ามาในจิตใจของเราเราก็ต้องรู้อันนี้ก็เป็นแค่เีทนาทางจิต มันไีต like like, ัวต like ้นจริงหอกตัวชั่วข้าเี้ยกะแล้วก็ปลอยให้มันับไปก็ทาสบายๆอย่างนี้แหละวันดีวัไก็ทำไปวันเยก็ทำไปแต่ระวางอย่างอื่นก็คือว่ามีอลมีบวลโอ้ตัวนี้สคัญเลยนะมีบอลเนะเอออยากจะป่อ่นี้เอยอันี้โยเาะ้อมีการมีจิตเนลไม่ปฏิบัติก็ไม่มีนั่นมีบอลทไมอะ การถ้าเราไม่ปฏิบัตินะกินข้าวอิ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยพอมันง่วงเราต้องไปหาหมอน ห, หาเสื่อเน่นอนส บ, บายเนี่ก็ไม่เป็นนิวรนี้ ม, มันนอนหลับไปมันก็เรายอมมันแล้วนแะต่เวลาปฏิบัตินี่เราไม่ยอมร่างกายง่วงมันซึนก็มาปรปับที่ร่างกายแต่กาลังกายว่าแก่ติดด้วย กรติมันเข้าไปซึมไปกับความซึล้วก็ทําให้จิตมันตื่นตัวขึ้นมาเนีย่ยนะท่าที่จะทําให้จิตมันตืตน่นกายเลือดลมวิ่งสะดวกมันก็ตื่นขึ้นทางร่างกายจิตก็ต้องให้มันตื่นด้วยกระทองมทาทําจิตให้ตื่นตัวเช่นบางคำบ้างจิตใจของตัวเองให้มีกาลางขึ้นนี่แหลเวลาเป็การปฏิบัติธรรม ต้องมีการไปแก้ไขตัวเองด้วยแก้ไขด้วยมีสติแต่จริงๆแล้วก็คือว่าทำจิตของเราให้ตั้งมัน่นตั้งมั่นแล้วรู้สภาพธรรมตามความจิ ต, จตไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปแทรกแซงและทีอ่อะไริดชี้เห็นความจริงตามธรรมชาติออมาเราก็เลยเป็นเหมือนดูอเิดดูอิ่เิ ที่จริกำลังมันก็เป็นอิสระเลยนะแล้วก็เห็นผู้ดูด้วยผู้ดูด้วยซึ่งถูกดูก็มีด้วยงั้นเราฉายไฟฉายฉายไฟฉายทันทีมาเราฉายออกไปต้นสาวพักเราก็บางทีเราลืดูไฟฉายเราไปดูแต่ต้นสาวเหมือนกับความรู้ในจิตของเราเนี่ยบางที่เราไปดูแต่เรื่องข้างนอกเราดูดูในจิตเรา ต้องหมายจริงเราต้องการให้รู้จิตให้เห็นจิตให้รู้จิตให้จิตไม่หลงยินดีกินร้ายแต่เวลาเราปฏิบัติการก็เลยล้นกับใช้ไปใชยไปดูสัตว์หรือต้นเสาดูข้างนอกเราก็สนใจแต่เรื่องข้างนอกสนใจแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นดูดูดูกลับมาดูจิตัวจิตจะมันมัวแต่ไปเพ่งอยู่ดูอันนั้นเพ่งดูอนี้ มันดดยืนดูตัวเองมีส่วนใหญ่เปอย่างนี้เลยนะคราวนี้เราก็หักหักย้อนกลับมาดีกิตเราเวลามันมีเวทนาเกิดขึ้นอย่างเนี้ยขณะที่ดูเวทนาเราออก็ก็ลองดูจิตเรา้ว่ า, าเออจิตเราตอนนี้อยู่ยังไงเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าไม่ให้หลงยินดดีินร้ายมีไหมดดยินยินร้ายถ้า ม, านมันงวกซึมเม่าหรือเราก็ต้องเหมือนกับว่าเออคง่วงความซึมเนี่ย มันมีอาการหน้าตามเป็นยังไงแทนที่จะไปจมลงไปกับมันนะเราเียบเรารีบยกจิตเราขึ้นมาปลุกใจของเราให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะสูงหงอกหน้าตามเป็นยังไงแล้วตัวจิตมันเป็นยังไงตัวที่ไปรู้ค ว, า, วามวุ่มันเป็นยังไงมันเป็นดันเดียวกันไนะหม ต, ตัวหนึ่งวุ่นตัวหนึ่งซึมแต่ตัวนึงมันรู้าอารมณ์นี้นะ เราก็พยายามที <talk ed that forward> like case, Kevin, trước, ่จะมาทําให้ตัวรู้อันนี้มันมีกำลังขึ้นนั่นแหละคือจิตของเราเราต้องรู้วิธีกระตุ้นจิตของเราให้ตื่นขึ้ส่วนใหญ่เราเนี่ยมีอะไรถึงขึ้นมันถลอมเข้าไปเลยนะจมเข้าไปเลยนะง่วงก็ไปจมอยู่ความง่วงงวงก่วเงียเงเออมันก็เลยไม่ตื่นสิถ้าหากว่าเอามันมันซึมอย่างนี้เออซึมหน้าตาเป็นยังไง นี่เราเราถามถึงไงซึ่งหน้าใจเป็นยังไงเราอ่ตรงไหนถ้ามันไม่มันถอยออกมาไม่ได้ก็พยายามกระตุ้นกระตุ้นให้จิตของเราถอยออกมาถ้ามันถอยออกมาได้นะมันจะมองเห็นเหียตาจิตโะดยตาในจิตของเราเนี่มีเรี่ยวแรงมันก็เห็นตรงนู่นอยู่มันเหมือนมีอะไรหีีหนักหนักหยีพลีทาให้จิตเราทนไม่ไหว ถล่มเข้าไปถล่มเข้าไปจมเข้าไปสุดท้ายก็ง่วงซึมหลับไปเลยนี่คราวนี้เราฝืนที่ไม่ไปฝืนไม่นี่นี่แหละนี่นหะเรากําลังที่จะรักษาตัวเองไม่ถล่มเข้าไปไม่จมเข้าไปมีคนที่ปฏิบัตินีจะต้องมีมีความเข้าใจตรงนี้ด้วยอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยเราคิดแบบขึ้นมาเลือกอวไอดีแล้วเคยไปเกี่ยวข้องกับมันนั่นแหละ ถ้าเราเป็นวนเวียนคิดอยู่เนี่ยแสดงว่าเราไปจมอยู่กับเรื่องนั้นแนละ้วจิตของเราถล่มเข้าไปแล้วเราไม่รู้ตัวถอนจิตออกมาไม่ได้มันก็เลยวนเวียนในเรื่องเก่าๆซ้ำไปซ้ำมาเสร็จแล้วเราก็หลงโทษข้างนอกไปจริงๆจิตขอ ง, ร ง, รงเราถล่มเข้ามาเราต้องให้จิดเราถล่มเข้ามาให้เราหันออกมาเป็นผู้ดูต่อไป น, นี้ให้เราเป็นผู้ดลองดูที่ครูเจ้าสอนให้ดูการ ดูเวทนาดูจิตและพลังธรรมมันเป็นวิธีทำให้จิตตืนเราก็เอาจิตมาดูก่อนแต่ถ้าหาว่าจิตมันมีกำลังแล้วมันจะอยู่กับตัวเองพร้อมกับมู้รอบเลยนะอันนี้เรียกว่าจิตั้งมเราต่อไปให้ตั้งใจดูตัวเองนะ เงิต้นดอกตัวดีไายกับผาคบายสบายเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องยากสงบไม่ต้องเครียดไม่สงบแต่มันถ้าว่ามันมีอะไรทำให้ขาดสติเช่นมีทีน้ามีป้านีวอเราต้องแก้ไขไม่เรามีสติ จะเป็น้เ็ว่าอส้สงที่เราเดขึ้น ก, ากนัายมัน o เมันจะได้เหยียกัการาแล้ว ม, นรร ม, นมันซึตงๆุ้งๆซึ้งๆเนี่ย ก, กับ ก, ก, ก, การกายหมดเหียบเหียบกับการางกายหมดแน่นๆเหยนการางกายหมดเราต้องถอยในกิจเราามกิดเราให้ใหหลังที่เพงเราเป็นูดู ต้องไม่ยินดีไนไล่ไม่ยินดีไม่ยินไลไม่ยินดีไม่ยินไนล่ไ เ, เ, เ, เ, รไลไเราต้องเป็นผู้ยิ้มเฉยผู้ย้เฉยผู้ยเฉยเหมือนเราอยู่บนลานมองลไปข้างล่างถึงคนผ่านไปผ่านมาติตเราก็ยังเฉยอยู่ไม่ได้ไม่ได้ทามเขาไป มุนก็อย่ติธรรมนั้ยจะทำมาต่ อ, อตรกนี้ต่อปุวสติรักษาจิตเราได้ไม่กีบบิดมจมกับอะไรเียงเพืุ่ตัวนะราให้การปฏิบัติการฆ่าตัวตายในการน้นเป็นสติสักษา ทำจิตของเราให้เข้านื้อตัวเราทำจิตของเราให้ดบายยิ้มย้ยยิ้มสบายเสรจจิตของเราจะเป็นจิตที่ชระอาร์ออกไปแค่เรายิ้จิตตัวเราก็สบายขึ้นแล้วอันื่นก็ดับไปตาลอ่ก็ดับไป มันแบบเป็นเชือกยาวเยอะอย่น ouais. ี้ต้องนุ่งสมาบะนุ่งสมาบะต้องนุ่งนิรภัยเราจะไม่สติให้มันมากก็เขียนจิตให้ดูแล้วกัญยาให้จิดมีอารมณ์ให้ติตเป็กลาวไม่ดีไม่มีร้ายอะไรตัวูกโดยที่จิตเราไม่ยองรับเข้าใจไม่อปิตจมเข้าไปในภาพน การลงทั้งหลายยังราวก็ไม่สามารถ ให้ที่บินเองเลยนะเราเจอที่บินไปที่ปลายตรงนั้นแต่วันนี้เราเอ็น